ตอนที่ท่านเสด็จมาวัดป่าสารวันท่านถามปัญหานโ น, น่นนี่เวลาเหตุการณ์ผ่านไปแล้วท่านเจ้าขุนเทพเวลราลังการท่านบอกว่าโอ้ยผมอัสจรุงพ่อคำถามที่ใ่นหลวงรับสั่งถามเนี่ยพวกผมคิดไม่ออกเลยทาไมหลวงพ่อพอท่านถามจบปับ๊บตอบ ป, ปุ๊บพอขึ้นประโยคแรกนี่คำตอบมันขึ้นมาแล้วแล้วมันขึ้นมาอย่างที่เราไม่ต้องคิด